สตรีมักจะเป็นเหมือนดาบสองคมคือให้ทั้งคุณและโทษแก่เธอและมีสตรีน้อยคนนักที่จะจับแต่เพียงคมเดียวเพราะฉะนั้นเธอจึงมักประสบทั้งความสุขและความเศร้าเพราะความงามเป็นมูลเหตุกฎข้อนี้พิสูจน์ได้ด้วยชีวิตของนางมาคันธยาซึ่งข้าพเจ้าจะเล่าให้ท่านฟังต่อไปด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะแก้แค้นพระบระมศาสดา เครื่องมือในการใช้ความพยายามของนางมีอย่างเดียวคือความงามเมื่อมีความพยายามความสำเร็จย่อมตามมาเสมอและในความพยายามนั้นถ้าจังหวะดีก็จะทำให้สำเร็จเร็วขึ้นดังนั้นต่อมาไม่ช้านะักนางได้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งโกสัมพีโดยวิธีใดไม่แจ้งนับว่าได้เป็นใหญ่เป็นโตพอที่จะหาทางแก้แค้นพระบรมาศาสดา ได้โดยสะดวกดังนั้นเมื่อน า, นางทราบว่าพระตถาคตเจ้าเสด็จมาโกสัมพีนางจึงยินดียิ่งหนักคราวนี้แหละพระสมณโคโดมพูดจองหองจะได้เห็นฤทธิของนางมาคันธยานางประลบเรื่องนี้ด้วยความประหยิ่งใจแล้วจ้างบริวารของนางบ้างทา์และก็กรรมกรบ้างให้เที่ยวติดตามด่าพระบรมศาสดาทุกมุมเมือง ทุกผลทุกแห่งที่พระองค์ทรงเหยียบย่างไปดูก่อนพระดาข้าพระเจ้าตามเสด็จไปทุกผลทุกแห่งเหมือนกันเมื่อถูกด่ า, ราแรงๆจิตใจของข้าพระเจ้าก็กระวนกระวายแต่พระท ถ, ถาคตเจ้าทรงมีอาการแช่มชื่นอยู่เสมอสีพระพักตร์ยังคงสงบนิ่งเช่นเดียวกับเวลาได้รับคำสรรเสริญ จิตใจที่เม่หวั่นไหวได้โลกธรรมคือนินทาและสรนเสร น, นั้นเป็นจิตที่ประเสรยยิ่งพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้และพระองค์ก็ทรงคำให้ดูเป็นตัวอย่างอวุโสตราบใดที่บุคคลยังพอใจด้วยคำสัรเสรเขาย่อมยังต้องหวั่นไหวเพราะถูกนินทานี่เป็นกฎที่แน่นอนพระสัฏฐาโคตเจ้าทรงคำพระมรณะให้เป็นเช่นแผ่นดิน หนักแน่นและไม่ยินดียินร้ายว่าใครจะโปรยปลายของหอมหรือดอกไม้ลงไปหรือใครจะทิ้งเศษขยะปฏิกูลอย่างไรลงไปข้าพเจ้าเองสุดที่จะทนได้จึงกราบทูลพระองค์ว่าพระองค์ผู้เจริญอย่าอยู่เลยที่นี่คนก็ด่ามากเหลือเกินจะไปไหนล่ะอ น, น์พระษาสดาตรั มีแหวนแห่งความเด็ดเดี่ยวฉายออกมาทางพระเนตรและสีพระพักไปเมืองอื่นเถิดพระเจ้าค่ะสาวัตถีราชฤกษสาเกตหรือเมืองไหนๆก็ได้ที่ไม่ใช่โกสัมพีแล้วถ้าเขาด่าเราที่นั่นอีกละ่ะก็ไปเมืองอื่นอีกพระเจ้าค่ะแล้วถ้าที่เมืองนั้นเขาด่าเราอีกละ่ะก็ไปต่อไปพระเจ้าค่ะอย่าเลยอนอนต์ เธออย่าพอใจให้ตถาคตทำอย่างนั้นถ้าจะต้องทำอย่างเธอว่าเราจะไม่มีแผ่นดินอยู่มนุษย์เราอยู่ที่ไหนจะไม่ให้มีคนรักคนชังนั้นเห็นจะไม่ได้เรื่องเกิดขึ้นที่ไหนควรให้ระงับลงณที่นั้นสักก่อนแล้วจึงค่อยไปอานอน์เรื่องที่เกิดขึ้นแก่ตถาคตนั้นจะไม่ยืดยาวเกินเจ็ดวัน คือจะต้องรอยงับลงภายในเจ็ดวันเท่านั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปว่าอานน์เราจะอดทนต่อคำบิงวอนของผู้อื่นเหมือนช้างศึกก้าวลงสู่สงครามต้องทนต่อลูกศรซึ่งมาจากทิศทั้งสี่เพราะคนในโลกนี้ส่วนมากเป็นคนชั่วคอยแสงหาแต่โทษของคนอื่นเธอจึงดูเถอพระราชาทั้งหลาย ย่อมทรงราจภพาคณะตัวที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ชุมนุมชนเป็นสัตว์ที่ออกชุมนุมชนได้อโนอนเอยในหมู่มนุษย์นี้ผู้ใดฝึกตนให้เป็นคนอดทนต่อคำร่วงเกินของผู้อื่นได้จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดม้าอัสดรม้าสิงทบพญาช้างตระกูลมหานาที่ได้รับการฝึกแล้วจัดเป็นสัตว์อาชาใย สัตว์อาชานัยเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่คนที่ฝึกตนดีแล้วยังประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้นดูก่อนอนอนุ์ผู้อดทนต่อคำร่วงเกินของผู้สูงกว่าก็เพราะความกลัวอดทนต่อคำร่วงเกินของผู้เสมอกันเพราะเห็นว่าพอสู้กันได้แต่ผู้ใดอดทนต่อคำร่วงเกินของผู้ซึ่งด้อยกว่าตนได้ เราเรียกความอดทนนั้นว่าสูงสุดผู้มีความอดทนมีเมตตาย่อมเป็นผู้มีล่ามียศอยู่เป็นสุขเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเปิดประตูแห่งความสุขความสงบได้โดยง่ายสามารถขุดหมูนเหตุแห่งการทะเลาะวิวาสได้คุณธรรมทั้งมวลมีสีและสมาธิเป็นต้นย่อมเจริญงอกงาม แก่ผู้มีความอดทนทั้งสิ้น ทานและกรรมกรที่พระนางมาคันธียาว่าจ้างมาด่าพระมหาสมณะก็เลิกราไปเองเพราะเขาทั้งหลายรู้สึกว่าเขากำลังด่าเสาศิลาแท่งทึบซึ่งไม่วันไหวเลยความพยายามของพระนางมาคันธียาเป็นอันล้มเหลวอาวุโสพระศาสดาคเคยตรัสไว้ว่าภูเขาศิลาล้วนย่อมไม่วันไหวด้วยลมจากทิศทั้งสี่ฉันใดบันดิต ย่อมไม่วันไหวเพราะคำนินทาและคำสรรเสริญฉันนั้นในพระราหลัดของพระศาสดาตอนต้นท่านคงจำได้ว่าพระองค์ตรัสถึงม้าอาสเดรม้าสินทพและสัตว์อาชานันรวมทั้งพญาช้างตระกูลมหาหน้าม้าอาสเดรนั้นคือสัตว์ผสมระหว่างม้าและลาคือแม่มา้าพ่อลาลูกออกมาจึงได้ลักษณะที่ดีเยี่ยม คือได้ลักษณะเร็วจากแม่และได้ลักษณะทนทานจากพ่อม้าเป็นสัตว์ที่มีฝีเท้าเร็วมากจนได้นามอีกอย่างหนึ่งว่ามโนไมยหมายความว่าสาเร็จดางใจส่วนลานั้นทนทานมากในการนำพาระหนักปีนที่โคกงชันก็เก่งเมื่อลักษณะทั้งสองประการมารวมกันคือทั้งเร็วและทนก็เป็นคุณลักษณะที่ดีเยี่ยม หันมามองดูมนุษย์เราผู้ใดมีลักษณะสองอย่างคือทั้งเร็วและทนทานผู้นั้นก็จัดได้ว่าประเสริฐคนบางคนมีสติปัญญาดีรู้อะไรได้เร็วแต่ไม่ทนทานอ่อนแอเบื่อหน่ายงานง่ายจับจดในที่สุดก็เอาดีไม่ค่อยได้ส่วนบางคนทนทานบึกบึนแต่ขาดสติปัญญารู้อะไรได้ช้า จึงทำให้สีเวลามากเกินไปในการทำสิ่งใดสิ่งหนึง่งและคนในโลกส่วนมากก็มักจะได้ลักษณะเดียวแต่ดูเหมือนพระศาสดาจะทรงสรรเสริญความเพียรพยายามมากอยู่เมื่อได้พยายามแล้วไม่สำเร็จสมประสงค์ใครล่ะจะลงโทษผู้นั้นได้ม้าสินพบนั้นเป็นทันม้าซึ่งเกิดนระุ่มมนน้ำสินทุเป็นม้าพันดีมากแคว้นกาโพชะทิ่งกาเนิดของท่าน ก็เป็นแฝนที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องมีม้าพันธุ์ดีตามที่ท่านกล่าวแล้วแต่หลหลังส่วนช้างตระกูลมหาหน้าก็เป็นช้างตระกูลดีกล่าวถึงสัตว์อาช า, ายัยหมายถึงสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนแล้วให้คูนแก่การงานประเภทนั้นๆโดย น, ายานัยนี้สัตว์ทุกประเภทสามารถเป็นอาชาัยได้ถ้าได้รับการฝึกให้เหมาะแก่การใช้งานแต่บรรดาอาชาในาด้วยกัน บุรุษอาชาันหรือคนอาชาัยประเสริฐที่สุดเพราะเหตุนี้พระตถามโคดจ้าจึงตรัสว่าบรรดามนุษย์ด้วยกันคนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุดคำว่าฝึกตนนั้นหมายถึงการฝึกจิตของตนให้ดีงามรับได้ทนได้แม้ในภาวะที่คนทั่วไปรู้สึกว่าไม่น่าจะทนได้การฝึกจิตก็เหมือนการฝึกยกน้ำหนัก ต้องค่อยทําค่อยไปเมื่อได้ที่แล้วก็เป็นจิตที่ทนทานและมีอภินิหารเป็นอัศจรรย์ มาคันธยาเป็นพระมเหสีรองของพระเจ้าอุเทนพระมเหสีใหญ่ก็คือพระนางสามาวดีซึ่งเลื่อมสายในพระตถาคตเจ้ามากเมื่อพระนางมาคันธยากลั่นแกล้งพระศาสดาไม่สมประสงค์ก็หันมาฤษยาหาโทษให้พระนางสามาวดีพระนางถูกกล่าวหาหลายเรื่องจนพระเจ้าอุเทนทรงเชื่อและจะประหารชีวิตของพระนางสามาวดีแต่พระองค์ทรงทราบข้อแท็จจริงภายหลัง ฉังสั่งประหารชีวิตพระนางมาคันธยาพร้อมทั้งบริวารและญาติด้วยวิธีที่เรียกได้ว่าทารุณอย่างยิ่งคือพระองค์ให้ขุดหลุมฝังพระนางมาคันธยาและบริวารเพียงแค่คอแล้วให้ไถจนอวัยวะขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพระนางมาคันธยาจบชีวิตลงด้วยเรื่องที่พระนางก่อขึ้นเองดูก่อนพระดา การคิดประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ย่อมเป็นเหมือนการถมน้ำลายรถ้าหรือการปาทุลีทัวลมผู้กระทำย่อมได้รับโทษเองดูก่อนท่านผู้สแสวงมรรคาแห่งอามาตะพระผู้มีพระภาคเจ้าสำราญพระอริยบทนโกสัมพีตามพระอัธยาศัยพอสมควรแล้ว ก็เสด็จาริกไปสู่คามนิคมชนบทราชธานีน้อยใหญ่เพื่อโปรดเวนยสัตผู้พอแนะนำได้ให้ดำลงอยู่ในกุศลบทจนกระทั่งหวนกลับไปประทับณกรุงสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลอันเป็นดินแดนแถบเชิงเขาหิมาลายความจริงพระพุทธองค์ประทับณกรุงสาวัตถีเป็นเวลาหลายปีที่สุดคือถึง25พรรษา แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าประทับอยู่รวดเดียว25บหาปันษาพระองค์เสด็จไปไปมามาแต่เมื่อคิดรวมแล้วได้25สห้าปีพอดีคือประทับอยู่นับปุพารามของนางวิสาขาหปีและประทับนเชตวันอารามของท่านอนาถปินดิกะส9ปีอันว่าพระนครสาวัตถีราชธานีแห่งแควนโกศล น, นี้ตั้งอยู่ทางเหนือแห่งแขวนกาสี มีอาณาเขตไปจนถึงหิมาลัยบรรพลดมีแคว้นสักยะอยู่ทางทิศเหนือโกริยะอยู่ทางทิศตะวันออกแคว้นโกศลซึ่งมีสาวัตถีเป็นราชธานีนี้เป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่คู่แข่งกับแคว้นมคธโกศลมีเมืองสาคัญสามเมืองคือสาวัตถีอโยธยาซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ําสรายุเป็นเมืองสําคัญมาก่อนสมัยพระพุทธองค์ ต่อมาถูกรวมเข้ากับโกศนส่วนอีกเมืองหนึ่งคือเมืองสาเกตอยู่ใกล้กับอโยธยาเจริญขึ้นเวลาเดียวกับอโยธยาเสื่อมลงจึงคล้ายเป็นเมืองแทนอโยธยาสาเกตมีความสำคัญสำหรับโกศนมากเป็นเมืองบิดาแห่งนางวิสาขามหาอุบาสิกาซึ่งข้าพเจ้าจะขอเล่าให้ท่านฟังในภายหลังระหว่างสาวัตถีถึงสาเกมีรถด่วนเดินทางวัเดียวถึง รถด่วนนั้นก็คือรถเทียมม้าตั้งสถานีไว้เจ็ดแห่งพอถึงสถานีหนึ่งก็เปลี่ยนม้าครั้งหนึ่งม้าชุดหนึ่งวิ่งเป็นระยะทางกว่ากึ่งโยดเล็กน้อยแปลว่าต้องเปลี่ยนม้าถึงเจ็ดครั้งเรื่องนี้เองที่พระปุณณมันตณีบุตรอาจารย์ของข้าพเจ้าเมื่อสนทนากับพระสารีบุตรถึงเรื่องวิสุทธเจตอันจะนาบุคคลไปสู่พระนิพพาน จึงเปรียบวิสุทธิ์เจ็ด 7, เหมือนรถเจ็ดผลัดจากสาวถีถึงสาเกตครั้งแรกที่พระตถาคตเจ้าเหยียบพระมงคลบารตรจงสู่สาวถีนั้นเป็นเพราะการอารัธนาของท่านอนาชาปินดิกะมหาเศรษฐีซึ่งเวลานั้นยังไม่ได้มีเนมิตรกานามอันภัยราะอย่างนี้เลยเรื่องเป็นดังนี้ สมัยหนึ่งเมื่อตรัสรู้แล้วไม่นานพระทถาคตเจ้าประทับอยู่ณสีตะวันใกล้กรุงราชคฤห์พร้อมด้วยพิษุสง์มู่ใหญ่ครั้งนั้นอนาถบินดิกาเศรษฐียังไม่ได้รู้จักพระพุทธเจ้าได้เดินทางไปกรุงราชคฤห์เพื่อเยี่ยมเยียนสหายและเพื่อกิจการค้าด้วยเมื่อไปถึงเศรษฐีผู้สหายต้อนรับพร้อมควรแล้ว ก็ขอตูไปสั่งงานคนทั้งหลายให้ทํานั่นทํานี่จนไม่มีโอกาสได้สนทนากับอคันตุกะอนาถบินดิกะประหลาดใจจึงถามว่าสหายครั้งก่อนๆเมื่อข้าพเจ้ามาท่านกวีกระว่าต้อนรับอย่างดียิ่งสนทนาปลาัยเป็นที่บันเทิงจิตตามฐานะมิตรอันเป็นที่รักท่านละงานอื่นๆไว้สิ้นมาต้อนรับข้าพเจ้าแต่คราวนี้น่ะ ท่านละข้าพระเจ้าแล้วสั่งงานยุ่งอยู่ท่านมีงานอาวาหาวิวาหาม์มงคลหรือพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาแห่งแคว้นมาคดเน่ะจะเสด็จมาเสวยที่บ้านของท่านในวันพรุ่งนี้หรื อ, อยังไงสหายเศรษฐีกรุงราชจะคืต่ออภัยข้าพระเจ้าดิเถข้าพระเจ้าน่จะไม่สนใจใยดีในการมาของท่านก็หาไม่ได้ท่านก็คงทราบอยู่แก่ใจแล้วว่า ข้าพเจ้านะมีความรักในท่านยังไงแต่พรุ่งนี้นะข้าพเจ้าเอาลัทธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระพิสุสง์จํานวนร้อยเพื่อเสวยและฉันอาหารที่นี่เพราะฉะนั้นนะข้าพเจ้าจึงมัวสั่งงานยุ่งอยู่สหายท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าหรือโอ้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกแล้วเนี่ยใช่พระพุทธเจ้าพระโกตมะพุทธ ออกบวชจากศักยัตระกูลมีข่าวแพร่สะพัดไปทุกขนทุกแห่งว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณนะคือมีความรู้ดีและความประพฤติดีสเสด็จไปที่ไหนก็เอานวยโชคให้ที่นั่นเป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นผู้รู้จักโลกเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นจากกิเลส นิตรารู้อริยสัจอย่างแจ่มแจ้งและมีพระทัยเบิกบานด้วยพระมหากรุณาต่อมูลสัตว์เป็นผู้หักราคะโทสัตและโมหะพร้อมทั้งบาปทมทั้งมวลแล้วสเสด็จเที่ยวจาริกสังสอนเวนัยสัต์สแสดงธรรมอันไยเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและก็ที่สุดทรงประกาศพรหมจารันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเต็มบริสุทธิ์ทั้งหัวข้อ และความหมายสหายท่านไม่ทราบการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหรอกหรือดูก่อนพระดาคำว่าพุโทโธนั้นเป็นคำที่ก่อความตื่นเต้นให้แก่อนาถาปิณฑิกาเศรษฐียิ่งนักอุปมาเหมือนคนเป็นโรคซึ่งทรมานานานๆปีเมื่อทราบว่ามีหมอสามารถจะบำบัดโรคนั้นได้จะดีใจสักเพียงใดดังนั้นอนาถาปิณฑิกจึงกล่าวว่า สหายค่าอาหารสําหรับเลี้ยงพระพุทธเจ้าและประสงค์สาหรับพรุ่งนี้น่ะเป็นจํานวนเท่าใดข้าพเจ้าขอออกให้ทั้งหมดเลยอย่าเลยสหายเศรษฐีกรุงราชจะคืบตอบอย่าว่าแต่ท่านจะจ่ายค่าอาหารเลยแม้ท่านจะมอบสมบัติในกรุงราชจะคืบทั้งหมดเนี่ยให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็หายอมให้ท่านเป็นเจ้าภาพสําหรับเลี้ยงพระพุทธเจ้าไม่กว่าข้าพเจ้าจะจองได้ก็เป็นเวลานานเลิศเกิน ข้าพเจ้าคอยโอกาสนี้มานานนักหนาแล้วสมบัติปรรมมาจากเนะข้าพเจ้ายังปรารถนาน้อยกว่าการได้เลี้ยงถวายพระพุทธเจ้าเจ็ดวันนี้เป็นวันของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ใครเป็นอันขาดเมื่ออนาถปิณติกะวิงวอนว่าขอออกค่าใช้จ่ายสักครื่องหนึ่งเศรษฐีกรุงราชคฤห์ก็หายอมไม่ดูก่อนพระระดา พระมนมศาสดาของเราทั้งหลายนั้นทรงมีปุปเพกะตะกุญญาตาอย่างล้นเหลือกุศลธรรมทั้งมวลที่พระองค์ทรงบำเพ็ญกระทำมาตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัติมารวมกันให้ผลในปัจฉิมภพของพระองค์นี้ประดุดสายฐานซึ่งยังเอออยู่ในทานบและบังเอิญทานบพังทลายลงอุทกกทาราก็ไหลหลากท่วมทนดังนั้น ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปนักที่ใดพระราชาเสนาบดีพ่อค้าประชาชนจึงต้องการถวายปัจจัยแก่พระองค์จนถึงกับต้องแย่งต้องจองกันล่วงหน้าเป็นเวลา น, น, นานๆอนาถบินดิกะเศรษฐีเป็นผู้อันกุศลธรรมแต่ปางบันตักเตือนแล้วเมื่อได้ยินคำว่าพุโทโธเท่านั้นปิติก็ทราบทราบไปทั่วส ร, รพ à n ปราถนาเลิกเกินที่จะได้เข้าเฝ้าพระสมมาสัมพุทธเจ้าในเวลานั้นแต่บังเอิญเป็นเวลาค่ำประตูเมืองปิดเสียแล้วจิตใจของเขาจึงกังวลถึงแต่เรื่องที่จะเฝ้าพระปรินาสดาไม่อาจหลับลงได้อย่างปกติเขาลุกขึ้นถึงสามครั้งด้วยสำคัญว่าสว่างแล้วแต่พอเดินออกไปภายนอกเรือนความมืดยังปรากฏปกคลุมอยู่ทั่วไปครานั้น ความสะดุ้งหวาดเสียวและความกลัวก็เกิดขึ้นแก่เขาเขากลับมานอนลำพึงถึงพระศาสดาอยู่ด้วยความกระวนกระวายใจในที่สุดเวลาก็มาถึงท้องฟ้าเริ่มสางเสียงไก่ขันรับอรุณแววมาตามสายลงเศรษฐีเดินออกจากตัวเรือนงูงสู่ประตูเมืองประตูยังไม่เปิดอนาถปาิณิกาต้องขอร้องวิงวอล น, นเฝ้าประตูเสนาน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 เศรษฐีม้าตั้งร้อยช้างตั้งร้อยโคแพะแกะเป็ดไก่อย่างละร้อยอย่างละร้อยถ้าท่านได้เพราะถอยกลับเพียงเก้าเดียวก็จะไม่ประเสริฐเหมือนก้าวไปข้างหน้าเพียงเก้าเดียวจงก้าวต่อไป เ, อเถอะเศรษฐีการก้าวไปข้างหน้าของท่านจะเป็นประโยชน์แก่ท่านและแก่โลกมาก เศรษฐีมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าศีตะวันอันเป็นที่ประทับแห่งพระศาสดาเวลานั้นพระพุทธองค์ตื่นมันโมแล้วท่งแผ่ขายพระยานพิจารณาดูสัตว์โลกที่พระองค์ควรจะโปรดเห็นอุปนิสัยของอนาถา ป, ปินิกะเศรษฐีว่าเป็นผู้ควรแก่การบรรลุ ธ, ธรรมจึงทรงจงกรมคือดำเนินกลับไปกลับมาอยู่ณบริเวณที่ประทับเมื่อเศรษฐีเข้ามาใกล้พระพุทธองค์จึงตรัสว่า เข้ามาเธอสุทัตตะรถาคตอยู่นี่ดูก่อนพระดาพระธรรมดัตัสเรียกเศรษฐีโดยชื่อว่าสุทัตตะโดยถูกต้องนั้นนำความประโม่มาให้เศรษฐีอย่างเหลือลน้นเขาไม่เคยรู้จักพระาศาสดาและพระาศาสดาก็ไม่เคยทรงรู้จักเขาแต่พระองค์สามารถเรียกชื่อเขาได้เศรษฐีหรือจะไม่ปลื้มใจ เขาซบหน้าลงแทบบาดทมูนแห่งพระถถาโคตเจ้าแล้วกราบถูลว่าข้าแต่พระสักรยมุนีเป็นโชคดีของข้าพระพุทธเจ้ายิ่งแล้วที่ได้มาเฝ้าพระองค์สมปรารถนาข้าพระองค์รอคอยจนพระองค์เสด็จเข้าไปในเมืองเพื่อเสวยพระนาหานไม่ไหวจึงออกมาเฝ้าแต่เช้ามืดพระองค์ผู้เจริญเมื่อคืนนี้ราตรีช่างยาวนานเสียเหลือเกิน ปรากฏแก่ข้าพระพุทธเจ้าเหมือนหนึ่งเดือนเป็นเวลานานหรือเกินที่สัตว์โลกจะได้สดับคำว่าพุโทโธพุโทโธ ตอนสุทัตตาผู้สร้างอารามเชตวันดูก่อนสุทัตตาผู้ตื่นอยู่ไม่ได้หลับ ย่อมรู้สึกว่าราตรีหนึ่งยาวนานผู้ที่เดินทางจนเมื่อยล้าแล้วรู้สึกว่าโยดหนึ่งเป็นหนทางที่ยืดยาวแต่สังสารวัตรคือการเวียนเกิดเวียนตายของสัตว์ผู้ไม่รู้พระสัตรธรรมยังยาวนานกว่านั้นดูก่อนสุทธะสังสารวัตนี้หาเบื้องต้นเบื้องปลายได้โดยยากสัตว์ผู้พอใจในการเกิด ย่อมเกิดบ่อยๆและการเกิดบ่อยๆนั้นตถาคตกล่าวว่าเป็นความทุกข์เพราะสิ่งที่ติดตามความเกิดมาก็คือความแก่ชราความเจ็บปวดทรมานและความตายความต้องพัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักความต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักความแห้งใจความคร่ำครวญความทุกกายทุกใจ และความคับแยนใจอุปมาเหมือนเห็ดซึ่งโผล่ขึ้นจากดินและนําดินติดขึ้นมาด้วยหรืออุปมาเหมือนโคซึ่งเทียมเกวียนแล้วจะเดินไปไหนก็มีเกวียนติดตามไปทุกหนทุกแห่งสัตว์โลกเกิดมาก็นําทุกประจําสังขารติดมาด้วยตราบใดที่เขายังไม่สลัดความพอใจในสังขารออกความทุกข์ก็ย่อมติดตามไปเสมอ เหมือนโคที่ยังมีแอกกวียนครอบคออยู่ล้อเขวียนย่อมติดตามไปทุกฝีเก้าดูก่อนสุทธตะเมื่อรากยังมั่นคงแม้ต้นไม้จะถูกตัดแล้วมันก็สามารถขึ้นได้อีกฉันเดียวกันเมื่อบุคคลยังไม่ถอนตันหาหนสัยขึ้นเสจจักดวงจิตความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้บ่อย สุทะตะเอยน้ำตาของสัตว์ผู้ต้องร้องไห้เพราะความทุกโทมนัสทับถมในขณะที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัตตดสงสารนี้มีจำนวนมากเหลือขนาสุดที่จะกล่าวได้ว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้กระดูกที่เขาทอดทิ้งลงทับถมปฐพีดนเหลาถ้านำมากองรวมๆกันมีให้กระจัดกระจายคงจะสูงเท่าภูเขา บนพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีช่องว่างเลยแม้แต่สักนิดเดียวที่สัตว์ไม่เคยตายปัตพีนี้เกลื่อนกลนไปด้วยกระดูกแห่งสัตว์ผู้ตายแล้วตายเล่าเป็นที่น่าสังเวชสลดจิตยิ่งนักทุกย่างก้าวของมนุษย์และสัตว์เหยียบย่ำไปบนกองกระดูกเขานอนบนกองกระดูกนั่งบนกองกระดูกสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่บนกองกระดูกทั้งสิ้น ดูก่อนสุทัตะไม่ว่าพบไหนๆล้วนแต่มีลักษณะเหมือนกองเพลิงทั้งสิ้นสัตว์ทั้งหลายดิ้นรนอยู่ในกองเพลิงคือทุกข์เหมือนเต่าอันเขาโยนลงไปแล้วในกองไฟใหญ่ฉะนั้นพระศา ส, าสดาทรงเทศนาอริยสัตว์แต่โดยย่อกแก่ท่านสุทัตะจนเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้มีศรัทธาไม่วันไหวในพระรัตนตรยัย แล้วทรงย้ำในตอนสุดท้ายว่าดูก่อนสุทธะการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เป็นของย่าการดำรงชีพยอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นของย่าการได้ฟังธรรมของสัตรบุรุษเป็นของย่าและการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นของย่าดูก่อนสุทธะเพราะเหตุนั้น การแสดงคำของสัตบุรุษก็ตามการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าก็ตามล้วนเป็นเหตุนำความสุขความสงบมาสู่โลกดูก่อนผู้สืบอริยวงพระอ น, นุ์กล่าวต่อไปพระธรรมเทศนาของพระาศาสดานั้นไพเราะจับใจและแจ่มแจ้งยิ่งนักเพราะเหตุนี้เมื่อพระองค์แสดงจบลงจึงมักมีผู้ชมเชยเสมอว่า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 คืออยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้านมีทางเข้าออกได้สะดวกไม่อิกระทึกในเวลากลางวันและเงียบสงัดในเวลากลางคืนเหมาะสำหรับเป็นที่สำลาญพระอริยบทของพระตถาคตเจ้าและเป็นที่ตึกตรองธรรมอันลึกซึ้งสำหรับพิสุสงอนาถาปินติกะได้เข้าเฝาเ้าเจ้าชายเชตะขอซื้อสวนสร้างอารามเบื้องแรกเจ้าชายทรงปฏิเสธ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 เชตวันนี้เป็นอารามที่สวยงามที่สุดและใหม่ที่สุดอนณาถปินดิกาให้สร้างกุฏิวิหารห้องประชุมห้องเก็บของขุดสะใหญ่ปลูกบัวขาวบัวขาบัวหลวงบัวเขียวบานสะพรั่งชูดอกสวัยปลูกมะม่วงเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมแล้วยังพันไม้หลายหลากเป็นทิวแถวที่ทำเป็นซุ้มเป็นพุ่มก็มี สะอาดสวยงามและร่มรื่นต้นไม้ส่วนมากมีผลอันจะเป็นประโยชน์แก่พิสุสัมมณีรวมความว่าเชตวันเป็นอารามที่น่าอยู่น่าอาศัยมีสปายะธรรมพร้อมทั้งสี่ประการคือเนสนาสนะสปายะที่อยู่อาศัยสบายบุคคลสปายะมีมิตรสหายดีมีผู้อาใจใส่พอสมควร อาหารสปายะมีข้าวปลาอาหารบริบูรณ์และธรรมะสปายะมีทำเป็นที่สบายข้อนี้หมายความว่าทำที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุ ค, คุณเบื้องสูงเหมาะแก่จริตอัธยาศัยและมีเรื่องราวต่างๆโน้มน้อมใจเพื่อละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อพยายามไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นเพื่อทํากุศลที่ยังไม่เกิด ให้เกิดมีและเพื่อรักษากุศลที่เกิดแล้วให้คงอยู่และเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดูก่อนอาคันตุกะกล่าวเฉพาะอย่างยิ่งประการที่สองคือบุคคลสปา ย, ยะนั้นท่านอนาถาปินดิกะนอกจากจะถวายอารามแล้วยังบำรุพิสุสงด้วยปัจจัยอื่นๆ อ, อ, อีกเช่นจีวร อ, อาหารและยารักษาโรค ท่านจะไปเฝ้าพระศาสดาทั้งเช้าและเย็นเมื่อไปตอนเช้าก็จะนำอาหารเป็นต้นว่ายาคูและพัดเมื่อไปในเวลาเย็นก็จะนำปล า, าชนิดต่างๆไปเป็นต้นว่าน้ำพึ่งและน้ำอ้อยท่านไม่เคยไปมือเปล่าเลยด้วยละอายแก่พิสุนมงและสามเณรจะดูมือเมื่อไปเฝ้าก็ไม่เคยทูลถามปัญหาพระศาสดาเลยเพราะท่านคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า เคยเป็น ก, กษัตริย์สุคุมมาลชาติละบัตดนี้เป็นพระพุทธเจ้าสุคุมารถ้าจะถามปัญหาพระองค์ก็จะทรงนาริว่าเศรษฐีน่ะเป็นผู้มีอุปการะมากต่อเราและจะทรงแก้ปัญหาด้วยความเกรงพระไทยจะทําให้พระองค์ทรงลําบากดูก่อนอคันตุกะพระศาสดาทรงทราบอัธยาสายอันนี้ของเศรษฐีแล้วทรงนาริว่า เศรษฐีนี้เกรงใจเราในฐานะที่ไม่ควรจะเกรงก็เราบำเพ็ญบารมีมาเป็นเวลายืดยาวนานเคยควักลูกในตาเคยตัดศีรษะอันประดับประดาแล้วด้วยมงกุฎและเคยสละอวัยวะอันอื่นตลอดถึงชีวิตให้เป็นทานบารมีสิบเราบำเพ็ญมาแล้วอย่างเข้มงวดและบริบูรณ์ก็ได้จุดประสงค์ที่จะขนสัตว์ในสังสารสาคาน ขึ้นสู่ที่อันเกษมคือพระนิพพานทรงนำลึกเช่นนี้แล้วก็ทรงแสดงธรรมแก่เศรษฐีพอสมควรทุกครั้งที่เข้าไปเฝ้า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 เปเศ์ที่โกศลและพระนางมัลลิกาอั拉 ร, ราชเทวีข้าแต่ท่านผู้ส่งรถอันประเสริฐพระกัมโคชากล่าวขึ้นข้าพระเจ้าเคยได้ยินชื่อเสียงของท่านเหล่านี้บ้างเป็นบางท่านแต่ไม่ทราบรายละเอียดถ้าท่านจะกรุณาอนุเคราะห์เล่าแก่ข้าพระเจ้าบ้างก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวดูก่อนพระดา สำหรับท่านแรกคือนางวิสาขามาหาอุบาสิกานั้นมีเรื่องก้อนข้าจะมากอยู่เป็นสตรีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพุทธจักรเป็นผู้มีบุญและรูปงามสมบูรณ์ด้วยลักษณะเบญจกัลยานีห้าประการคือผมงามหมายถึงผมซึ่งยาวสลวยลงมาและมีปลายช้อนขึ้นเองโดยธรรมชาติฟันงามหมายถึงฟันขาวสะอาดเป็นระเบียบ เรียงรายประดุดไข่มุกที่ในช่างจัดเข้าระเบียดแล้วเริมงพิบากงามหมายถึงเริมงพิบากบางโค้งเป็นรูปกระจับสีชมพูเรื่อคล้ายผลตำลึงสุขเป็นเองโดยธรรมชาติมิใช่เพราะตกแต่งแต้มทาผิวงามหมายถึงผิวขาวละเอียดอ่อนเหมือนสีดอกกัิกาลักษณะนี้มีสองอย่างคือถ้าผิวดา ก็ดำอย่างดอกอุบลเขียวอมเลือดอมฝาดเปลงปลั่งคล้ายสีน้ำผึ้งซึ่งนำมาจากรังผึ้งใหม่ๆวัยงามหมายถึงเป็นคนงามตามวัยงามทุกวัยเมื่ออยู่ในวัยเด็กก็งามอย่างเด็กเมื่ออยู่ในวัยสาวก็งามอย่างหญิงสาวเมื่ออยู่ในวัยชาราก็งามอย่างคนชารานางวิสาขาไม่ใช่ชาวสาวัตถีโดยกาเนิดแต่เป็นชาวสาเกต ต้นตระกูลดั้งเดิมของนางอยู่กรุงราชคฤห์สมัยเมื่อพระเจ้าประสิทิ์ที่โกศลเสด็จไปขอเศรษฐีจากกรุงราชคฤห์นั้นจอมเสนาบดีแห่งแคว้นมคตได้มอบธนัญชัยเศรษฐีบิดาวิสาขาให้มาเมื่อเดินทางมาถึงเขตกรุงสาวัตถีธนญชัยเห็นสถานที่แห่งหนึง่งมีทำเลดีเหมาะที่จะสร้างเมืองได้จึงทูลขอพระเจ้ากรุงสาวัตถีเพื่อสร้างที่พักตรงนั้น พระเจ้าประสิทธิ์ที่ทรงอนุญาตต่อมาจึงสร้างเป็นเมืองให้ชื่อว่าสาเกตเพราะนิมิต ท, ที่มาถึงตรงนั้นเมื่อตะวันรอนวิสาขาเจริญเติบโตขึ้นที่กรุงสาเกตนั่นเองเจริญไวขึ้นในความงามงามอย่างหาหญิงใดเสมอเหมือนได้ยากแต่เป็นผู้ไม่ยญิงธนงในความงามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นนิสัย มีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรีที่ได้รับการอบรมดีจนกระทั่งมีอายุพอสมควรจะแต่งงานแล้วบิดาแห่งปุลนวัฒนกุมารในกรุงสาวัตถีจึงส่งทูตไปขอนางเพื่อบุตรของตนการแต่งงานของนางวิสาขาเป็นเรื่องมโหโฬายิ่งทนานชัยเศรษฐีให้ในช่างทำเครื่องประดับมหาลดาประส า, าเป็นชุดวิวาแห่งที่ดา เครประดับนี้แลพร่พราวไปด้วยเพชรนิลจินดา ม, มากหลายไม่มีผ้าได้ผ้าไหมหรือผ้าใดๆเจือปนเลยที่ที่ควรจะใช้ผ้าเขาก็จะใช้แผ่นเงินแทนในเครื่องประดับนี้ต้องใช้เพชรสี่ทนานแก้วมุกดาสิอทนานแก้วประทานยี่สบทนานแก้วมณีสาทนานลูกดุมทําด้วยทองห่วงทําด้วยเงิน เครื่องประดับนี้คลุมตั้งแต่สิสักจรดหลังเทา้าบนสิสักทำเป็นรูปนกยูงนำแผนขนปีกทั้งสองข้างทำด้วยทองข้างละห้าร้อยขนจะงอยปากทำด้วยแก้วประพานในตาทำด้วยแก้วมณีก้านขนและขาทำด้วยเงินนกยูงนั้นประดิษฐ์อยู่เหนือเสียรเหมือนนกยูงนำแผนอยู่บนยอดเขา เรื่องประดับนี้มีค่า90ล้านกะหาปณะนะค่าจ้างทำหนึ่งแ0นกะหาปณะนะและทาอยู่ถึงสเดือนโดยในช่างจานวนร้อยจึงสาเร็จลงคืนสุดท้ายที่วิสาขาจะจากไปสู่ตระกูลสามีนั่นเองทนันชัยเศรษฐีผู้บิดาได้ให้โอวาทแก่านางเป็นที่ประทับใจและเป็นประโยชน์ในการคลองเรือนยิ่งนัก โอวาทนั้นมีสิบข้อดังนี้วิสาขาเมื่อลูกไปสู่ตระกูลสามีชื่อว่าอยู่ไกลหูไกลตาพ่อลูกจงจำโอวาทของพ่อไว้เพื่อเป็นตัวแทนของพ่อเป็นเกราะป้องกันพยันตรายสำหรับลูกจงอย่านำไฟในออกจงอย่านำไฟนอกเข้าจงให้แก่คนที่ให้ จงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้จงให้แก่คนที่ทั้งให้และไม่ให้จงนั่งให้เป็นจงนอนให้เป็นจงบริโภคให้เป็นจงบูชาเทวดาและจงบูชาไฟนางวิสาขาเข้าสู่พิธีอาวาหะวิวาหะมงคลด้วยเกียรติอันยิ่งใหญ่ การต้อนรับทางกรุงสาวัตถินั้นมโหรารหรือคธนาแต่บางอื่นตระกูลของปุณณวัฒนกุมานั้นไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่นับถือศาสนาของนิคร น, นาตบุตรหรือศาสนาเชนมักจะเชื้อเชิญ น, นักบวชผู้ไม่นุ่งห่มอะไรมาเลี้ยงพระทหารเสมอนางวิสาขามีความละอายเป็นล้นพ้นจนไม่สามารถออกมากราบไหว้และเลี้ยงสมณะ ที่มิคารเศรษฐีบิดาแห่งสามีเลื่อมใสได้จึงเป็นที่ตําหนิของมิคารเศรษฐีนางวิสาขาเลื่อมใสพระรัตนตรัยตั้งแต่สมัยอยู่เมืองราชเครือแล้วเรื่องนี้เป็นข้อยุ่งยากในครอบครัวประการเดียวที่ยังแก้ไม่ตกวันหนึ่งเวลาเช้าพระภิสุรูปหนึ่งออกบินทบาทมาทางเรือนของมิคารเศถีเวลานั้นนางวิสาขากําลังปฏิบัติบิดาแห่งสามี ซึ่งบริโภคอาหารอยู่เมื่อพระมายืนอยู่ที่ประตูเรือนตามอริยตันติแบบอย่างของพระอริยะเศรษฐีมองเห็นแล้วแต่ทำเฉยเสียและหันหน้าเข้าฝาบริโภคอย่างไม่สนใจนางวิสาขาหาอุบายให้พ่อหัวมองไปทางประตูเรือนโดยวิธีต่างๆโดยวาจาเช่นว่าท่านบิดาดูที่สมประตูนั้นสิเถาวันนะ่ะมันเลื้อยรุงรังเหลือเกินแล้ว ยังไม่มีเวลาให้คุณใช้ทําให้เรียบร้อยเลยช่างมันเถอะไว้อย่างนั้นก็สวยดีแล้วล่ะเศรษฐีพูดโดยไม่ได้มองงางวิสาขาและไม่ได้เหลียวไปดูที่ซุ้มประตูเลยท่านบิดาดูนกตัวนั้นสิสีมันสวยเหลือเกินเกาะอยู่ที่ดินรั้วใกล้ซุ้มประตูนั่นแน่เออพ่อเห็นแล้วล่ะเห็นมันมาจับอยู่เสมอจนพ่อเบื่อที่จะดูมันละเสรษฐียังคงก้มหน้าบริโภคต่อไป เมื่อนางเห็นว่าหมดหนทางที่จะให้บิดาของสามีเห็นพระธิสุอย่างถนัดได้จึงกล่าวขึ้นว่านิมนโปรดข้างหน้าเถิดพระคุณเจ้าท่านมิคาระนะกำลังบริโภคของเก่าอยู่เพียงเท่านี้เองเรื่องได้ลุกลามไปยังใหญ่หลวงเศรษฐีหยุดรับประทานอาหารทันทีตวาดนางวิสาขาด้วยอารมณ์โกรธวิสาขาเธออดดียังไง จึงอาจพูดว่าเรากินของเก่าไม่สะอาดมีเรื่องหลายเรื่องนะที่เราเห็นเธอและบิดาของเธอนทำไม่สมควรต่อแต่นี้ไปเธอจะได้อาศัยอยู่ในบ้านของเราอีกเลยขอให้เตรียมตัวกลับไปบ้านของเธอได้สถีพูดเท่านี้แล้วก็ลุกขึ้นไปให้คนไปตามพราหมณ์พี่เลี้ยงของนางมาแล้วบอกให้พราหมณ์นำนางวิสาขากลับไปพราหมณ์ทราบความแล้วเดือดร้อนใจเป็นนักหนา รีเข้าพบนางวิสาขาถามด้วยจิตกังวลว่าแม่เจ้ามีเรื่องอะไรดุแลแรงนะักหรือท่านวิคาระจึงให้ส่งแม่เจ้ากลับเมืองสาเกตด้วยก่อนพรามนางพูดอย่างเยือกเย็นปราศจากความสะทกสะทานใดๆทั้งสิน้นเมื่อข้าพระเจ้ามาก็ได้เกียรติอันใหญ่หลวงมีข้าทาสบริวารเป็นจำนวนร้อยเมื่อถึงคราวกลับไป จะกลับอย่างผู้ไร้ญาติขาดที่พึ่งหาควรแก่ข้าพเจ้าใหม่เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วข้าพเจ้าอยากให้เรื่องนี้ได้รับการพิจารณาเสก่อนเมื่อเป็นที่แน่นอนว่าข้าพเจ้านะ่ะเป็นผู้ถูกหรือผู้ผิดก็ตามข้าพเจ้าจะขอลาไปและไปยังมีเกียรติอย่างคราวที่มาพรามได้นำนางวิสาขาเข้าหาท่านเศรษฐีเพื่อซักฟอกความผิดให้เห็นแจ้ มิคาราเศรษฐีนั่งหน้าเธอมึนทึงมีอาการเกลี้ยวกราดฉายอยู่ทั้งใบหน้าและแววตามีอะไรอีกละพระามณ์เศรษฐีตั้งคำถามกระชากกระชากข้าแต่ท่านเศรษฐีแม่เจ้านะ่ยยังไม่ทราบความผิดของตนว่าได้กระทําผิดประการใดจึงต้องถูกไล่กลับไปเนะความผิดประการใดหรือก็การที่เธอบังอาจว่าเรากินของเก่าของสกปรกนะี่ย ยังไม่พบอีกหรือค่าแต่ท่านบิดาคําที่ลูกพูดนั้นน่ะไม่ได้หมายความว่าท่านบิดาน่ะบริโภคของสุขปรกแต่ลูกหมายความว่าท่านบิดาน่ะกําลังกินบุญเกา่าลูกคิดว่าการที่ท่านบิดามั่งมีสีสุขมีเงินทองล้นเหลืออยู่ในปัจจุบันในชาตินี้นะ่ะโดยที่ท่านบิดาไม่ได้ลงทุนลงแรงทําอะไรมากนะทรัพย์สมบัติล้วนแต่เป็นมรดกตกทอดมาทั้งสิ้นนั้นนะ่ะ เป็นพระบุญเก่าของท่านบิดาอานวยผลให้ถ้าท่านบิดาไม่สั่งสมบุญใหม่ให้เกิดขึ้นบุญเก่านั้นก็จะต้องหมดไปสักวันหนึ่งลูกหมายถึงบุญเก่านี้เองละ่ะจึงพูดว่าบิดานะ่ะกาลังบริโภคของเก่า